ขอบคุณภาะเจ้านะคะสําหรับในบ่ายวันนี้นะคะที่พระเจ้าได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะให้กับพี่น้องนะคะก็เราเจอกันบ่อยนะคะทุกเดือนเราก็จะได้เจอกันนะคะก็หันไปหาคนซ้ายมือขวามือไดมไหมคะเพราะว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งความรักนะคะน้อกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักให้เราหันไปหาคนซ้ายมือขวามือนะคะแล้วก็บอกว่าน่ารักจังดีไหมคะจริงๆมันมีเพลงนะคะ มันมีเพลงนะคะบอกกับคนซ้ายมือขวามือว่าน่ารักจังนะคะถ้าใครไม่มีซ้ายมือขวามือหันไปหาข้างหลังก็ได้นะคะข้างหลังข้างหน้าก็ได้นะคะแล้วก็บอกว่าน่ารักจังนะคะน่ารักนะคะบอกกับข้าพเจ้าได้ไหมคะ น, น่ารักจังนะคะขาาก่อนที่เราจะฟังพรทนะของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน ถ้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุดขอพระคุณพระองค์ในบ่ายวันนี้ที่เข้าพเจ้าทุกคนได้มีโอกาสที่จะเข้ามานมัสการพระองค์และเวลานี้จะได้มีโอกาสที่จะได้ยินพระวจนะของพระองค์ร่วมกันขอให้พระวจนะในบ่ายวันนี้ที่จะแต่ต้องสัมผัสจิตใจให้พี่น้องที่จะสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ถ้าแต่พระเจ้าขอมอบการนมัสการ ในบ่ายวันนี้ให้อยู่ในพระหัตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้อาอเมนหาก็ในเดือนนี้นะคะเป็นความรักเพื่อนมนุษย์นะคะใครคือคนที่เราเรียกว่าเพื่อ น, นะคะเราลองคิดในใจของเรานะคะใครที่เราเรียกว่าเพื่อ น, นะคะคนที่ไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าคนที่ซื้อของให้เราตลอดะคะซื้อของคะ คนที่ไปกินข้าวไปดูหนังหรือว่าเราหลายๆคนนะคะจะมีเพื่อนนะคะเราอยากจะให้เพื่อนเนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะอยากจะให้เพื่อนมีลักษณะแบบไหนนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นคนที่น่ารักนะคะคนนี้ไม่น่ารักไม่คบเป็นเพื่อนนะคะบางคนนะคะบางคนอาจจะคิดแบบนี้หรือว่าบางคนอาจจะคุยด้วยแล้วสนุกคะอยากจะเป็นเพื่อนคะหรือเป็นคนที่พูดได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเอา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องและไม่เอาเรื่องของเราเนี่ยไปบอกกับคนอื่นนะคะหรือว่าเป็นคนที่ใจแป้บนะคะโอ้เป็นสายเปนะคะจ่ายตลอดอ่ารอเราลองคิดดูนะคะว่าเราอยากให้เพื่อนเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะข้าพเจ้าอยากจะให้พี่น้องนะคะได้ดูคลิปคลิปนี้ด้วยกันนะคะเป็นคลิปนะคะเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะคะว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยเป็นเพื่อนแบบไหนนะคะ เพื่อนแท้เป็นยังไงเป็นคนที่ดึงส่วนดีที่สุดในตัวคุณออกมาคนที่คอยช่วยเหลือคุณเสมอไม่ว่าปัญหาจะยากขนาดไหนหนังสือสุภาษิตบทธิบแข้อ24สบบอกว่าเขาจะสนิทกับคุณยิ่งกว่าพี่น้องแบบนั้นแหละที่เรีย ก, กว่าเพื่อนแท้แต่เพื่อนแท้หายากแล้วถ้าคุณกังวลมากไปว่าจะไม่มีใครชอบคุณอาจจะเลือกเพื่อนที่ไม่ค่อยดี แล้วจะเลือกเพื่อนอยังไงหนังสือจะสนุกหรือไม่ก็ต้องอ่านข้างในไม่ใช่หน้าปกเลือกเพื่อนก็ต้องดูนิสยัยไม่ใช่หน้าตาหาคนที่คุณไว้ใจได้รู้จักให้อภัยและไม่ขุดคุ้ยความผิดพลาดของคุณมาพูดอยู่เรื่อยๆถ้าจะมีเพื่อนเพื่อนที่ดีแค่คนเดียวก็ดีกว่าเพื่อนที่ไม่จริงใจเป็นร้อยคนเพื่อจะหาเพื่อนแท้ได้ อย่ามองแค่คนที่เข้ากับคุณได้ง่ายลองเปิดใจและเปลี่ยนมุมมองคุณอาจเจอเพื่อนที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้อย่าคบกับคนที่เหมือนคุณเท่านั้นคนที่มีงานอดิเรกและความสามารถไม่เหมือนคุณก็เป็นเพื่อนคุณได้อาจจะแก่กว่าหรือเด็กกว่ามาจากภูมิหลังหรือวัฒนธรรมที่ต่างกัน อย่าปิดกั้นตัวเองแต่จำไว้ด้วยว่าเพื่อนแท้ต้องมีมาตรฐานที่ดีคุณเคยมีเพื่อนที่เอาเปรียบคุณบินทาคุณรับหลังหรือใส่ร้ายคุณไหมคุณน่าจะมีเพื่อนที่ดีกว่านั้นนะถ้าางนั้นใหระวังเพื่อนที่น่ารังเกียจคนที่คอยหาผลประโยชน์จากคุณทำให้คุณรู้สึกแย่โดยล้อเลียนวิธีการพูรูปร่างหน้าตา หรือแม้กระทั่งความเชื่อของคุณ oh. เพื่อนแท้ไม่ทำอย่างนั้นเขายอมให้คุณเป็นตัวของตัวเองคุณต้องเลือกเพื่อนที่ฉลาดไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งแต่ใช้ชีวิตอย่างฉลาด mm. เพื่อนแท้ต้องทำให้เราเห็นว่าเขายึดมั่นกับสิ่งที่ดีห <No. S 1> นังสือสุภาษิตบทยี่บเจ็ดข้อ17 mm. บอกว่าเพื่อนแท้จะเรียนจากกันและกันเหมือนเหล็กรับเหล็กให้คม mm. พวกเขา จะทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นและคุณจะหาเพื่อนแบบนั้นได้ยังไงคุณรอให้คนอื่นยื่นมือมาหาคุณตลอดไม่ได้คุณต้องเป็นฝ่ายลิเริ่มเข้าไปคุยกับพวกเขาก่อนแต่พอคุยกันก็อย่าคุยแต่เรื่องของตัวเองล่ะถามเรื่องของเพื่อนด้วยแล้วก็ฟังตั้งใจฟังจริงๆเพราะใครๆก็อยากมีเพื่อนที่พร้อมจะฟังเขา แล้วไงต่อตอนนี้คุณก็ต้องพยายามทำให้ความเป็นเพื่อนของพวกคุณจเจริญเติบโตคุณต้องเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ไม่จดจำความผิดของเพื่อนพร้อมจะช่วยเหลือเขาไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนถ้าคุณทำแบบนี้มิตรภาพของคุณจะงอกงามหนังสือฟิสิกสอยบทงข้อสีบอกว่า เราต้องไม่ห่วงแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นแต่ห่วงเรื่องของคนอื่นด้วยเรามีเพื่อนไว้ก็เพื่อห่วงใหยครันคุณจะเจอคนอีกมากในชีวิตแล้วคุณก็ต้องเลือกเพื่อนวิทยตัวเองค่ะเรามักจะให้คํานิยามเพื่อนแท้คือคนที่คอยอยู่ข้างเรานะคะไม่ว่าจะ ยากดีมีจนขนาดไหนนะคะคือเห็นคุณค่าของเรานะคะและเป็นคนที่จะไม่ทําร้ายหรือว่าหักหลังเราค่ะเลยที่สําคัญนะครพระอภิมีสอนเราให้มีความรักต่อผู้อื่นมากมายนะคะหาเราบอกว่าเรารักนะคะเรารักพระเจ้าแต่กลับไม่มีความรักให้กับผู้อื่นนะคะก็เหมือนกับเราไม่ได้รักพระองค์ด้วยเช่นกันค ะ, ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําตามน้าพระทัยของพระองค์ที่บอกว่า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 วาจาหรือคำพูดเท่านั้นแต่ต้องแสดงออกถึงการปฏิบัติ ด, ด้วยนะคะที่ออกมาจากจิตใจของเราคะด้วยการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีจิตใจที่อ่อนโยนคะไม่ทำร้ายกันแล้วก็อวยพรซึ่งกันและกันค่ะ ใ, wow ในบ ah ่ายวันนี้นะคะข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องนะคะได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะคะเมื่อสักครู่ที่ผู้นําให้เราได้อ่านไปพร้อมๆกันนะคะเห็นถึงความรักของเพื่อนมนุษย์นะคะที่มีให้กันโดยมีความรักของพระเจ้าเป็นพื้นฐานของมิตรภาพนะคะในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่ 20: ่สข้อสีนะคะโดยคือเราอ่านไปแล้วนะคะหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะในบ่ายวันนี้ข้าพเจ้าจะให้หัวข้อว่ามิตรภาพที่แท้จริงนะคะหรือว่า มิตรภาพที่แท้ทรูนั่นเองนะคะคือเป็นภาษาวัยรุนนะคะก็เชื่อว่าหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะถ้าย้อนกลับไปนะคะในบทก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลนะคะนั่นก็คือกษัตริย์อะไรคะจำได้ไหมคะซาซาเลยนะคะ <laughs> ซาอูนอ่เก่งมากนะคะอันนี้ทดสอบนิดหน่อยนะคะกระสัตถ์ซาอูลนะคะเป็นกรัตัิย์องค์แรกของอิสราเอลนะคะชาวอิสราเอลนะคะเรียกร้องให้มีกระสัตถ์เป็นเหมือน อ, อ, อยากให้มีกรัตัิย์เหมือนกับชนชาติอื่นๆนะคะบ่นกับพระเจ้านะคะบอกกับพระเจ้าว่าทำไมพวกเขาเนี่ถึงไม่มีกรัตัิย์มาปกครองะคะ พระเจ้านะคะรักพวกเขาพระเจ้าจึงให้ซาอูลนะคะมาปกครองชาวอิสราเอลนะคะเป็นกษัตริย์องค์แรกในพมพีบันทึกนะคะในช่วงแรกๆนะคะซาอูลเชื่อฟังพระเจ้าทุกอย่างนะคะแต่พอเวลาเปลี่ยนไปเขากลับไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะเขากลับไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเขาได้ทอดได้ทิ้งพระเจ้านะคะเมื่อซาอูลนะคะหันหลังให้กับพระเจ้าพระเจ้าได้ให้ซามูเอลนะคะซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะ ไปหาดาวิดเพื่อที่จะเจิมดาวิดเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปนะคะพี่น้องสามารถกลับไปอ่านได้นะคะเพราะว่าวันนี้อาจจะเวลาจะไม่พอนะคะว่าทำไมซาอูลถึงทาไมพระเจ้าถึงถอดซาอูลจากการเป็นกษัตริย์ะคะเพราะว่าซาอูลไม่เชื่อฟังกลับไปอ่านได้นะคะในหนึ่งซามูเอลนะคะ การที่ซาอุนไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะทำให้เขาเนี่ย ม, มีวิญญาณชั่วอยู่ในตัวเขานะคะเหมือนถ้าพูดเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับเขาจะเกิดความบ้าคลั่งนะคะเนาะเกิดความบ้าคลั่งเมื่อเขาทำสิ่งไหนนะคะเขาก็จะไม่มีความสุขเลยในชีวิตของเขานะคะจึงเป็นครั้งแรกของดาวิดะคะที่ได้เข้ามาอยู่ในพระราชวังเพราะว่าดาวิดเขามีฝีมือในเรื่องของการดีดพินนะคะเพราะว่าถ้าดาวิดดีดพินครั้งใดนะคะ สิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวของซาอูลก็จะหายไปนะคะหรือว่าวิญญาณเชื่อที่อยู่ในตัวซาอูลก็จะหายไปนะคะนั่นคือเป็นครั้งแรกที่ดาวิดได้เข้ามานะคะและซาอูลนะคะก็ชื่นชอบในตัวของดาวิดมากเพราะว่าดาวิดเนี่ยดีดพินให้เขาฟังนะคะนอกจากนั้นดาวิดนะคะยังฆ่ายักษ์กอริย์อารตนะคะทุกคนรู้รดีใช่ไหมคะว่าดาวิดเนี่ยเขาฆ่ายักษ์ชาวฟิลิสเตียนะคะ ที่มาโจมตีชาวอิสราเอลดาวิดเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เป็นที่ชื่นชอบของซาอุนเท่านั้นแต่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งเมืองเลยนะคะเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งเมืองซึ่งรวมถึงโยนาธานนะคะซึ่งเป็นลูกของซาอุนนั่นเองนะคะเมื่อดาวิดกับโยนาธานพบกันครั้งแรกนะคะเขาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะในพระพรีใช้คําว่าผูกสมัคร รักใคระคะ่ซึ่งเป็นภาพของการรักใคร่กันด้วยใจทั้งหมดะะจิตใจของดาวิดและโยนาธา น, นะะผูกสมัครรักใคร่กันด้วยความเป็นเพื่อ น, นะะด้วยความเป็นเพื่อนใน1นึส ม, มุเอลบทที่18แข้อที่สบอกว่าแล้วโยนาธานก็กระทำพันธสัญญากับดาวิดเพราะท่านรักเธออย่างกับรักชีวิตของท่านเองนะะโยนาธานและดาวิดะะได้กระทำพันธสัญญากัน ในฉบับอมตะธรรมนะคะพระเจ้าเป็นศึกษานะคะใช้คําว่าเพื่อนแท้นะคะในฉบับอมตะธรรมนะใช้คําว่าเพื่อนแท้แล้วโยนาธานก็ทําพันธรรสัญญาเพื่อที่จะเป็นเพื่อนแท้กับดาวิดนะคะเมื่อพูดถึงการทําพันธรรสัญญานะคะเป็นคือทำพันธรรสัญญาเป็นเพื่อนกันมักจะคิดถึงหนังจีนใช่ไหมคะกรีดข้อมือแล้วก็เอาเลือดใช่ไหมคะเลือดไหลลงไปในแก้วน้ํานะคะเสร็จแล้วทำไมคะ ดื่มสาบานใช่ไหมคะว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปใครเคยดูหนังจีนใช่ไหมคะนี่คือเป็นการทําสาบานของหนังจีนที่เขาทำนะคะโยนาธานและดาวิดนะคะก็ทําคล้ายๆกันค่ะเพียงแต่ว่าเขาทั้งสองเนี่ยได้กระทําพันธสัญญาบนความรักของพระเจ้าบนความรักของพระเจ้ามิตรภาพของเขาทั้งสองคนนะคะเป็นมิตรภาพที่ลึกซึ้งมากที่สุดนะคะใกล้ชิดมากที่สุดเท่าที่มีในบันทึก บันทึกไว้ในพรัมพีนะคะเหตุการณ์ต่อมานะคะกาศซาอูลนะคะพยายามที่จะหาช่องทางที่จะฆ่าดาวิดนะคะหาช่องทางที่จะฆ่าดาวิดเนื่องจากว่าเกิดความอิจฉาดาวิดนะคะเพราะว่าหลังจากที่กลับมาจากมาถึงเมืองนะคะเพราะว่าตอนนั้นดาวิดไปฆ่ายักษ์ตอเลอัสใช่ไหมคะพอกลับมาถึงเมืองนะคะประชาชนนะคะพากันชื่นชมยินดีกับดาวิดนะคะแล้วก็เต้นโลดแล้วก็ขับร้องออกมาบอกว่า ซาอูลเนี่ยฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดเนี่ยฆ่าคนเป็นหมื่นๆ น, นะคะพอซาอูลได้ยินอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขารู้สึกโกรธมากนะคะเขารู้สึกไม่พอใจจึงคิดที่จะฆ่าดาวิดนะคะเกิดความอิจฉาคิดที่จะฆ่าดาวิดแต่ว่าแต่โยนาธานนะคะคือลูกของซาอูลเนี่ยรู้นะคะโยนาธานรู้จึงไปบอกให้กับดาวิดนะคะแล้วก็ช่วยดาวิด ที่จะหนีเอาตัวรอดในหลายๆครั้งนะคะจนมาถึงบทที่20คือที่ข้าพเจ้าพูดนี่คือมันมันไม่ใช่แค่บทเดียวนะคะมันหลายบทนะคะข้าพเจ้ า, าพี่น้องอยากรู้มากขึ้นก็สามารถกลับไปอ่านได้นะคะมาถึงบทที่20นะคะเป็นเรื่องราวที่บันทึกถึงมิตรภาพของเขาทั้งสองคนนะคะไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะถึงพันธสัญญาที่เคยทําไว้ต่อกันนะคะคือก่อนหน้านี้ก็เคยทําแล้วก็ทําอีกน ะ, ะทำหลายๆครั้งไปถึงพันธสัญญานะคะ เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองเนี่ยได้ร้องไห้นะคะได้ร้องไห้ด้วยกันเพราะว่าซาอูลเนี่ยคิดจะเอาชีวิตของดาวิดคิดที่จะฆ่าดาวิดนะคะและโยนาธานก็ได้ช่วยเหลือดาวิดนะคะเรื่องราวของสองคนนี้นะคะข้าพเจ้าอยากจะให้พี่น้องนะคะได้เรียนรู้ด้วยกันในบ่ายวันนี้นะคะอยู่4ประการสั้นๆนะคะสั้นๆ4่ประการสั้นๆนะคะประการแรกนะคะมิตรภาพของเขาทั้งสองนะคะ ตั้งอยู่บนความรักของพระเจ้าคะมีตภาพของเขาทั้งสองตั้งอยู่บนความรักของพระเจ้านอกจากความเป็นเพื่อนของเขาทั้งสองแล้วเขายังมีความรักของพระเจ้าที่จะเป็นตัวเชื่อมเขาทั้งสองคะในหนึ่งซามาเอลบทที่20ข้อที่ 12-16 นะคะเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกว่าเขาทั้งสองเนี่ยได้ทําพันธสัญญาที่อยู่บนความรักของพระเจ้านะคะไม่ว่าพวกเขาจะทําอะไรนะคะจะไป ไม่ว่าพวกเขาจะพูดจะทําหรือะอะไรต่างๆนะคะพระเจ้าก็สถิตยอยู่ด้วยกับเขาไม่ว่าซาอูลจะใช้ดาวิดให้ไปทําอะไรก็ตามก็สามารถที่จะทําสําเร็จได้ทุกอย่างนะคะดาวิดนะคะหนีจากการตามล่าของซาอูลเพราะว่ามีผู้คนมากมายนะคะยกย่องดาวิดและบอกดาวิดว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะฆ่าคนได้เป็นหมื่นๆนะคะยกย่องเป็นอย่างมากนะคะแต่ซาอูลเนี่ยฆ่าคนได้เป็นพันๆ ซาอุนก็รู้สึกโกรธใช่ไหะอิจฉาดาวิดะคะกลัวว่าดาวิดเนี่ยจะมาแทนที่ตัวเองกลัวว่าดาวิดจะมาเป็นก ษ, ษัตริย์แทนตัวเองนะคะดาวิดนะคะจึงหนีหนีไปหาโยนาธานนะคะทั้ง2นะคะได้คุยกันถึงเรื่องที่ซาอูลพยายามที่จะฆ่าดาวิดนะคะและทําพันธสัญญาต่อกันในข้อที่12นะคะได้บอกว่าและโยนาธานตรัสกับดาวิดว่าขอเพะ ขอพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงเป็นพยานเมื่อฉันอย่างดูเสด็จพ่อของฉันในวันพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้หรือในวันที่สามดูเถิดถ้ามีอะไรดีต่อดาวิดแล้วฉันจะไม่ใช้คนไปแจ้งท่านทีเดียวหรือแต่ถ้าเสด็จพ่อพอพระทัยที่จะทําหลายท่านฉันจะไม่แจ้งให้ท่านทราบหรือและจะไม่ส่งให้ท่านไปอย่างปลอดภัยแล้วก็ขอพระยาเวทรงลงโทษแก่โยนาธาน และทรงเพิ่มโทษนั้นขอพระยาเวสถิตกับท่านอย่างที่พรอะองค์สถิตกับเสด็จพ่อของฉันนะคะโยนาธานนะคะสัญญากับดาวิดว่าจะช่วยเขาให้รอดจากการถูกฆ่าอย่างแน่นอนนะคะถ้ามีอะไรที่ไม่ดีนะคะเขาจะส่งข่าวทันทีนะคะถ้าเขาไม่ทำตามอย่างที่เขาพูดไว้นะคะขอให้พระเจ้าที่จัดลงโทษเขานี่คือคำสัญญาที่โยนาธานได้ทำสัญญาไว้กับดาวิดนะคะ และในข้อที่ 14-15 ี่สิบห้านะคะเป็นภาพของการที่ขอให้มิตรภาพของเขาทั้งสองคนนะคะยังคงอยู่เสมอนะคะให้พระเจ้าช่วยเหลือเขานะคะเพราะว่าโยนาธานเนี่ยขอจากดาวิดถ้ายังมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยขอท่านสําแดงความรักมั่นคงต่อพระยาเวต่อฉันนะคะแต่ถ้าฉันตายขออย่าตัดความรักมั่นคงของท่านที่มีต่อพงพันของฉันนิรันดร น, นะคะเมื่อเขาทั้งสองนะคะได้ทาพันธสัญญาต่อกัน ระหว่างโยนาธานและดาวิดนะคะอยู่บนความรักของพระเจ้าแล้วเนี่ยเขายังทำพันธสัญญาต่อวงวานของกันและกันอีกด้วยหมายถึงพูดง่ายๆก็คือตระ ก, กูลของเขาทั้งสองคนนะคะถึงแม้ว่าโยนาธานเนี่ยถ้าเขาจะไม่อยู่แล้วถ้าเขาจะตายไปแล้วก็ขอให้ดาวิดเนี่ยยังคงเป็นมิตรหรือว่ายังคงดูแลหรือว่าช่วยเหลือตระ ก, กูลของเขาอยู่ไปเรื่อยนะคะเมื่อเขาทั้งสองนะคะได้ทำพันธสัญญาต่อกันแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะทําสิ่งไหน จะทำอะไรนะคะพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่ด้วยนะคะและทรงทาให้สาเร็จทุกอย่างนะคะไม่ว่าซาอูลจะคิดร้ายจะคิดหาทางที่จะฆ่าดาวิดยังไงนะคะเขาทั้งสองก็ช่วยเหลือกันและกันนะคะนี่คือความรักของเขาทั้งสองตั้งอยู่บนความรักของมีพื้นความรักของพระเจ้าเป็นพื้นฐานในมิตรภาพของเขานะคะประการที่สองนะคะไม่มีอะไรที่สามารถขัดขวางมิตรภาพได้ ไม่มีอะไรที่จะสามารถขัดขวางมิตรภาพได้ซาอูลนะคะตามฆ่าดาวิดโดยการวางแผนต่างๆนานานะคะทั้งการแกล้งทั้งรอบฆ่านะคะแต่ว่าไม่ว่าจะทําสิ่งไหนเขาไม่มีทางที่จะทำสาเร็จนะคะจนซาอูลเนี่ยคิดแผนร้ายนะคะโดยการที่ยุยงนะคะยุยงส่งเสริมให้ข้าราชบริพารหรือว่าประชาชนของเขาเนี่ยนะคะและตัวของโยนาธานเองเนี่ยฆ่าดาวิด ยุยงลูกนะคะหลอกให้ดาวิดมาหาหรือว่าหลอกให้ติดกับดักนะคะแต่ด้วยความรักของมิตรภาพนะคะโยนาธานเนี่ยกลับบอกให้ดาวิดรู้ตัวนะคะเพื่อที่จะได้ไดหนีเอาตัวรอดะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราสังเกตดูดีๆเนาะจะเป็นเรื่องราวที่ทำให้มิตรภาพเนี่ยแตกแยกกันได้นะคะทำใหออ้ทั้งสองคนเนี่ยสามารถที่จะแตกแยกกันได้เพราะว่าโยนาธานเนี่ย จะต้องไปฆ่าดาวิดทั้งๆที่โยนาธานเป็นเพื่อนกับดาวิดนะคะเขาจะต้องไปฆ่าดาวิดเพราะว่าพ่อเป็นคนสั่งนะครเพราะว่าพ่อเป็นคนสั่งแต่ในทางกลับกันนะคะโยนาธานกับช่วยเหลือดาวิดนะคะช่วยให้รอดในหลายๆครั้งนะคะในบทที่20สนะคะซาอูลนะคะซึ่งเป็นพ่อของโยนาธานเนี่ยคือซาอูลเนี่ยด่าโยนาธานนะคะด่าโยนาธานเพราะว่าเขาปล่อยให้ดาวิดเนี่ยหนีไปนะคะแทนที่จะมาร่วมโต๊ะอาหาร ด้วยนะคะแทนที่จะมาร่วมตัวอาหารกับซาอูลแต่ว่าโยนาธานกลับปล่อยให้ดาวิดเนี่ยหนีไปเพราะว่านั่นคือกับดักนะคะทำให้ซาอูลเนี่ยโกรธโยนาธานมากๆนะคะแล้วก็ด่าโยนาธานว่าเป็นลูกของหญิงจอมกระบทและวิทย์ผลิตและการช่วยเหลือดาวิดทำให้ความขายหน้าตกไปยังแม่ของเขานะคะในบทที่20ข้อที่3 0ถึง31นะคะได้บอกว่าแล้วความกลี้วของซาอูลก็ พุ่งขึ้นต่อโยนาธานตรัสว่าเจ้าลูกของหญิงกระบฏนะคะข้าไม่รู้หรือว่าเจ้าเลือกบุตรเจสซีมาเป็นความอับอายแก่เจ้าเพราะว่าดาวิดเป็นลูกของเจสซีนะคะและแก่แม่ผู้ให้กําเนิดเจ้าตราบใดที่บุตรเจสซียังมีชีวิตอยู่ในโลกตัวเจ้าหรือราชนจาจักรของเจ้าก็จะตั้งมั่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจงใช้คนไปจับเขามาเพราะว่าเขาจะต้องตายแน่นี่คือพระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกนะคะ และสองพ่อลูกนะคะก็ได้ถกเถียงกันอย่างรุนแรงนะคะถกเถียงกันจนทําให้โยนาธานเนี่ยโกรธนะคะจนทําให้โยนาธานโกรธแล้วก็ลุกออกจากออกจากโต๊ะอาหารนะคะแต่ถึงแม้ว่าโยนาธานจะโกรธพ่อมากขนาดไหนแต่เขาก็ไม่ได้ตะคอกหรือว่าไม่ได้พูดร้ายกับพ่อนะคะแล้วก็หลังจากที่เขาโกรธแล้วลุกออกจากโต๊ะอาหารเขาก็เดินทางไปหาดาวิดทันทีนะคะ เพื่ออะไรเพื่อที่จะกระทําหมายสําคัญหรือว่าทําสัญญาณนะคะที่เขาเคยพูดกันไว้ว่าถ้าซาอูลเนี่ยคิดจะทําร้ายดาวิดโยนาธานเนี่ยจะไปทําสัญญาณให้รู้ตัวว่าให้รีบหนีไปนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนที่หลังจากที่โยนาธานออกลุกออกจากตัวอาหารแล้วนะคะก็รีบไปหาดาวิดทันทีนะคะความรักมิตรภาพของทั้งสองนะคะที่ตั้งอยู่บนความรักของพระเจ้าเนี่ยทำให้ ทำให้เขาเนี่ยเป็นเพื่อนแท้กันนะคะทำให้เขาเป็นเพื่อนแท้ท แ, ทแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถขัดขวางมิตรภาพแท้นี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาครอบครวัวนะคะก็ไม่สามารถที่ทําให้เขาทั้งสองเนี่ยแตกแยกกันได้นะคะประการที่3นะคะเหตุการณ์ร้ายๆทําให้มิตรภาพนะคะแน่นแฟ้นเหตุการณ์ร้ายๆทำให้มิตรภาพมิตรภาพ แ, แพน่นแฟ้นนะคะมิตรภาพของเขาทั้งสองเนี่ย ตั้งอยู่บนความรักของพระเจ้านะคะไม่มีอะไรที่จะสามารถขัดขวางได้นะคะประกา ร, ร, การนี้นะคะจะชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ร้ายนะคะหรือสิ่งที่เรามองว่ามันไม่ดีเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างมิตรภาพทั้งสองคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากแต่ในความสัมพันธ์ของดาวิดและโยนาธานนะคะทําให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแต่เขากลับสนิทกันมากยิ่งขึ้นนะคะ กลับทำให้เขาเนี่ยสนิทกันมากยิ่งขึ้นใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นและแน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้นาานะคะจากความสัมพันธ์ของทั้งสงคนาานะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นาานะคะตั้งแต่ดาวิดถูกซาอูลไล่ฆ่าตั้งแต่แรกใช่ไหมคะซึ่งนับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ เ, เลวร้ายมากนะคะเพราะว่าซาอูลเนี่ยไล่ฆ่าตลอดเลยนะคะตั้งแต่ในที่ที่ข้าพาเจ้าเล่านะคะว่าดาวิดเนี่ยถูกยกย่องใช่ไหมคะเขาก็โกรธ เกลียดดาวิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะก็ไล่ฆ่ามานะคะถูกล่อลวงกลันแกล้งสารพัดนะคะให้ทะเลาะกับโยนาธานซึ่งเป็นลูกนะคะโยนาธานทะเลาะกับซาอูลนะคะทำให้ซาอูลเนี่ยทำให้โยนาธานกับดาวิดเนี่ยต้องทะเลาะกันนะคะแต่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะทั้งสองก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้นะคะถ้าเราเป็นคนกลางใช่ไหมคะคือ เหมือนโยนาธานเป็นคนกลางนะคะคนหนึ่งก็พ่อนะคะซาอูลคนนึงก็เพื่อนรักใช่ไหมคะนั่นก็คือดาวิดนะคะเหมือนกันชีวิตของเรานะคะบางทีเราเราอาจจะเจอเหตุการณ์นี้ใช่ไหมคะแต่เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยกลับทําให้ทั้งสองเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้ น, นะคะยิ่งเลวร้ายะคะยิ่งสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นถ้าเราสังเกตดูนะคะโยนาธานพยายามช่วยเหลือดาวิดทุกครั้งะคะช่วยเหลือดาวิดทุกครั้ง และยิ่งทําให้เกิดพันธสัญญามากยิ่งขึ้นนะคะเขาทำพันธสัญญาระหว่างดาวิดกับโยนาธานเนี่ยหลายครั้งมากนะคะหลังจากที่โยนาธานลุกออกจากโต๊ะอาหารใช่ไหมคะเขาก็ไปทํำหมายสาคัญกับดาวิดนะคะโดยให้ให้เด็กนะคะวิ่งไปเก็บลูกธนูไปเก็บธนูนะคะที่เขายิงไปนะคะซึ่งเป็นสัญญาณให้กับดาวิดนะคะในหนึ่งสมัยบทที่ยี่สข้อ41บอกว่า เมื่อเด็กนั้นไปแล้วดาวิดก็ลุกขึ้นมาจากที่ที่อยู่ทิศใต้ซบหน้าลงถึงดินแล้วกราบสามครั้งและทั้งสองก็จุบกันร้องไห้กันจนดาวิดร้องไห้หนักมากเหลือเกินนะคะการจุบกันในที่นี้นะคะการจุบกันไม่ใช่การรักใคร่กันเชิงคู่รักนะคะแต่การจุบกันในวัฒนธรรมของชาวยูวนะคะคือการแสดงความรักระหว่างเพื่อนนะคะถ้าเคยเห็นในทีวีไหมคะเวลา คนฝรั่งเขาเจอกันเขาจะจูบแบบเอาแก้มชนแก้มใช่ไหมคะอันนั้นคือการจูบกันแบบมิตรภาพระหว่างเพื่อนนะคะดังนั้นนะคะเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นนะคะทําให้เขาทั้งสองเนี่ยสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นรักกันมากยิ่งขึ้นเมื่อโยนาธานช่วยเหลือดาวิดนะคะทั้งสองคนก็ร้องไห้หนักมากนะคะการร้องไห้นะคะการที่เราร้องไห้กับใครสักคนหนึ่งแสดงว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เราไว้ใจเขามากนะคะเป็นคนที่ เราไว้ใจแล้วก็เป็นคนที่เราเนี่ยสนิทสนมนะคะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกและที่น่าสนใจนะคะในพระมธิอมามะตธรร ม, มะะร่วมสมัยนะคะมันทึกว่าดาวิดร้องไห้หนักมากนะคะดาวิดร้องไห้หนักมากในข้อที่สีสิบเอ็ดนะค ะ, สะแสดงให้เห็นว่าดาวิดเนี่ย ซ, ซึ้งในนำ้ำซึ้งในน้าใจของโยนาธานนะคะไม่สามารถที่จะกล่าวออกมาเป็นคำพูดได้นะคะจึงร้องไห้ออกมานะคะร้องไห้ออกมา มากกว่าที่จะพูดนะคะเหตุการณ์นี้นะคะทำให้เขาสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้ น, นะคะชีวิตของเราก็เหมือนกันนะคะเมื่อเราเจอหรือว่าเมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์หลายนะคะมันจะทําให้เราเห็นว่าเพื่อนคนไหนที่เป็นเพื่อนแท้เพื่อนคนไหนที่ เข้ามาหวังดีหรือว่าเพื่อนคนไหนที่หวังอย่างอื่นนะคะเมื่อเรามีความสุขนะคะอยู่สุขสบายเรามีเพื่อนมากมายใช่ไหมคะแต่พอเกิดเรื่องหรือเราเจ็บป่วยเราเดือดร้อนหรือเรามีปัญหาอะไรก็ตามเพื่อนเนี่ยเพื่อนเหล่านั้นที่เข้ามาเพื่อที่พี่จะหวังเนี่ยเขาก็หายไปเลยนะคะเพราะเหตุการณ์หลายๆเนี่ยทำให้เราเห็นว่าคนไหนคือเพื่อนแท้นะคะประการที่4นะคะประการสุดท้าย รักษามิตรภาพจนถึงที่สุดคะรักษามิตรภาพจนถึงที่สุดบทที่ย3ิบสาข้อที่ิเจนะคะได้บอกว่าโยนาธานพูดกับเธอว่าอย่า ก, กลัวเลยเพราะว่ามือของซาอูลสเสด็จพ่อของฉันจะมาหาเธอไม่พบเธอจะได้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลและฉันจะเป็นอุปราชซาอูลสเสด็จพ่อของฉันก็ทราบเรื่องนี้ด้วยนะคะจากพระภีข้อนี้นะคะ โยนาธานได้บอกกับดาวิดว่าไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวให้ดาวิดเนี่ยมั่นใจว่าถึงแม้ว่าซาอูลเนี่ยคิดที่จะปองร้ายหรือคิดที่จะฆ่าหรือจะทำอะไรก็ตามกับดาวิดเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าดาวิดเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าเจอมไว้แล้วตั้งแต่ต้นนะคะที่ซามูเอลนะคะไปเจอมดาวิดะคะ และจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปนะคะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้แล้วนะคะไม่มีผู้ใดแม้แต่ซาอูลเองะคะคิดที่จะฆ่าได้เพราะว่าพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยไม่มีใครที่จะบิดเบือนได้นะคะและโยนาธานนะคะจะยอมรับในการเป็นพระราชาของดาวิดและจะจงรักภักดีตลอดไปนะคะโยนาธานนะคะเป็นโอรสหรือว่าเป็นลูกของซาอูลใช่ไหมคะซึ่งคนที่จะ สืบทอดบัลลังก์ต่อจากซาอนูนคือใครคะก็คือโยนาธานนั่นเองนะคะแต่โยนาธานนะคะรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเลือกดาวิดแล้วก็เจิมเขาไว้แล้วนะคะซาอูนกับโยนาธานเนี่ยรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งเขาก็ยอมรับได้นะคะแทนที่โยนาธานนะคะจะอิจฉาน ะ, ะแทนที่โยนาธานจะอิจฉาและเป็นผู้ที่ทวงสิทธ เพราะว่าสิทธิ์นั้นเนี่ยต้องเป็นของฉันฉันต้องได้เป็นกษัตริย์ต่อจากพ่อของฉันคะแต่โยนาธานไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะแต่เขากลับยอมเสียยอมเสียสละยอมเสียบัลลังค์ให้แก่ดาวิดเพราะว่าดาวิดคือเพื่อนรักของเขานะคะมากกว่ายอมเสียบัลลังค์มากกว่าที่จะเสียเพื่อนสนิทที่สุดของเขาไปนะคะและสิ่งเหล่านี้นะคะก็ไม่ได้ทําให้โยนาธานเนี่ยรักดาวิดน้อยลงเลยนะคะ การคบการคบเพื่อนของเรานะคะการเลือกเพื่อ น, นะคะให้เราขอความรักะคะขอความรักขอการทรงนำที่มาจากพระเจานะ้าเนาะเอาแบบอย่างของการเป็นเพื่อนที่ดีในพระวจนะของพระเจา้าอย่างเช่นโยนาธานและดาวิดคะการเป็นเพื่อนที่ดีะคะเพราะในพระวจนะของพระเจ้านะคะได้สอนเรื่องการคบเพื่อนการปฏิบัติต่อเพื่อนเนี่ยไว้มากมายะคะจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองะคะสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้ รับผลงานดีด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นนะเราให้บัญญัติใหม่แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นในยอห์นบทที่13บสข้อสาและในหนึ่ ง, งยอห์นบทที่3ข้อ18บแปนะคะบอกว่าลูกทั้งหลายเ อ, อ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคําพูดและปากเท่านั้นแต่จงรักกัน ด้วยการกระทําและความจริงคะเมื่อเรายึดหลักพระวจนะของพระเจ้าเป็นตัวนำนะคะไม่ว่าเราจะทะเลาะ ก, กันเวลาเรามีเพื่อนใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะทะเลาะ ก, กันมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องที่ต้องอพูดคุยกันนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะก็จะไม่สามารถที่จะมาขัดขวางมิตรภาพของเราได้นะคะแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะยิ่งช่วยทําให้เรา รักกันมากยิ่งขึ้นสนิทกันมากยิ่งขึ้นผ่านทางเหตุการณ์เลวร้วายนั้นนะคะขอให้พี่น้องนะคะที่จะนําเรื่องที่ข้าพเจ้าได้แบ่งปันในบ่ายวันนี้นะคะเรื่องราวของโยนาธานและดาวิดนะคะเป็นแบบอย่างของการเป็นเพื่อนที่ดีนะคะเราอยากได้เพื่อนแบบไหนนะคะให้เรานะคะที่จะทําแบบนั้นกับเพื่อนนะคะ ถ้าเราอยากได้เพื่อนที่ดีอยากให้เพื่อนที่รักเราเราก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีให้กับเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่รักเพื่อนเช่นเดียวกันนะคะขอพระเจ้าที่จะช่วยเรานะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ่ะ